เรื่องที่ได้ดูตัวต่อไปอีกหน่อยเรื่องตัวนอกกับตัวในที่ว่ามานั้นพูดถึงความสำคัญก็สำคัญมากทั้งสองอย่างตัวนอกก็สำคัญถ้าตัวนอกเสียเราเองก็ตายอยู่ไม่ได้ตัวในก็สำคัญเหมือนกันถ้ามีแต่ตัวนอกชีวิตก็ไม่มีแก่นสารอะไรหมดค่า ฉะนั้นทั้งตัวนอกทั้งตัวในสำคัญด้วยกันต่างกันแต่ว่ามันสำคัญคนละแง่และสำคัญมากสำคัญน้อยไม่เท่ากันตัวนอกนะ่ะมันของบุญธรรมกรมแต่งพูดง่ายๆก็คือร่างกายของเราเราไม่ได้ทำเองไม่ได้เลือกเองบุญกรรมตกแต่งมาให้เราได้ตัวอย่างนี้เกิดมามันก็เจอตัวอย่างนี้ทีเดียว เลือกไม่ได้ถึงไม่ชอบใจจะขอเปลี่ยนใหม่ก็ไม่ได้คนที่รูปร่างสวยงามจะอวดว่าตัวเข้าใจเลือกหรืออวดว่าตัวมีฝีมือไม่ได้ทั้งนั้นเพราะความจริงแล้วตัวเองก็ไม่ได้ทําเองไม่ได้เลือกเองแล้วคนที่ร่างกายขี้ริ้วขี้เรศหาที่สวยทั้งวันไม่เจอก็ไม่ใช่ว่าเขาเป็นคนโง่เง่าทําทตัวใช้ไม่เป็น หรือมัวเซอ้อซาไม่รู้จักเลือกเอาตัวดีๆว่าอย่างนี้ก็ไม่ถูกเพราะเหตุผลอย่างเดียวกันคือมันไม่ได้ออกแบบเองแล้วก็เลือกเองไม่ได้แต่บุญกรรมบรรดาลมาให้อย่างนี้ก็ต้องครองตัวอย่างนี้ลองให้เลือกได้เองสิรับรองว่าเทพบุตรเ ท, ทิดาบนสวรรค์ก็สู้ไม่ได้แน่ตัวนอก มันเป็นของถูกบังคับให้ครองอย่างนี้ชาวโลกเขาจึงไม่ถือสาหาความกับตัวนอกใครบังเอิญเกิดมาได้รูปร่างหน้าตาสวยๆก็พอดูหน่อยพอเป็นขวัญตาแต่ถ้าใครร่างกายขี้ริ้วกี้เรก็แล้วกันไปใครจะตาเล่ใครจะจมูกบี้ใครจะผิวหยาบตัวดำใครจะสูงจะเตี้ยไม่มีใครเขาว่าอะไร กฎหมายก็ไม่เอาโทษตำรวจก็ไม่จับไม่มีใครปรับไหมใส่คุกใส่ตารางทั้งนั้นประชาชนพลเมืองก็ไม่เคยร้องอุทธรณ์ว่าในในอำเภอได้ค่าหลวงรูปร่างขี่ลิ้วขี่เรขอให้รัฐบาลเปลี่ยนเอาคนรูปนั้นรูปนี้ให้ถึงพวกไฮปา ก, ก็ไม่เคยวิพากวิจารณ์ไม่เคยอดข้าวอดน้ําหรือ กรีดเลือดเดินขบวนประท้วงรูปร่างหน้าตาของรัฐมนตรีคนใดเพราะฉะนั้นเรื่องตัวนอกเอาเป็นวางใจได้ใครได้มาอย่างไรก็ครองกันไปอย่างนั้นบำรุงรักษาไปตามบุญกรรมที่มอบให้รับรองว่าอยู่ในบ้านในเมืองกับคนอื่นเขาได้แน่ส่วนตัวในนี่สิสำคัญใครเขาจะเคารพนับถือ จะกราบจะไหว้อยู่ที่ตัวไหนทั้งนั้นเขาจะจับไปเข้าคุกเข้าตารางก็เรื่องตัวไหนจนกระทั่งใครจะตกนรกเอเวจีกี่ร้อยชาติก็เรื่องตัวไหนทั้งนั้นเพราะฉะนั้นคนที่ฉลาดเมื่อคิดสร้างชีวิตให้รุ่งโรจน์จึงทุ่มเทความสนใจส่วนใหญ่เข้าไปที่ตัวไหนคือที่ความเป็นที่ตนกำลังครองอยู่ทาไมเล่า อะไระไรถึงได้รุมกันเข้าไปที่ตัวในตัวในทำอะไรให้เราตัวในทำอะไรให้ชาวบ้านถึงได้เอะอะก็ว่าเอาว่าเอาเรื่องมันมีที่เขาว่านั้นมันน่าว่าอยู่เหมือนกันดีก็ว่าไม่ดีเขาก็ว่าประการแรกที่สุดคือเรื่องการทำกับการใช้ตัวในกับตัวนอกต่างกันอยู่ ตัวนอกคือเรือนร่างที่เราครองอยู่นี้มันไม่ใช่ฝีมือของเราเป็นเรื่องถูกบังคับให้ครองแต่ตัวในคือความเป็นต่างๆที่ใครๆเป็นกันอยู่นี้เราทำขึ้นเองแล้วก็ครองเองโปรโดคิดดูเราทำตัวเองเป็นสุภาพชนเราทำตัวเองเป็นทรรชนเราทำตัวเองเป็นพระเราทำตัวเองเป็นโจร เราเป็นผัวเราเป็นเมียเราเป็นข้าราชการเราเป็นผู้แทนเราเป็นรัฐมนตรีเราเป็นคนขี้เล่าขี้ยาเราเป็นของเราเองทั้งนั้นนี่แหละของที่เราออกแบบเองทำกับมือเองแล้วก็ครองเองอย่างนี้สิสำคัญดีชาวบ้านเขาก็ชมไม่ดีชาวบ้านเขาก็ติ เพราะมันเป็นฝีไม้ลายมือของเขาเองเหมือนกับเรามาปลูกบ้านอยู่ในโลกนี้โลกมันจะเกลี้ยงเกลาสวยงามหรือมันจะขรุขระจะเว้าจะแหว่งใครเขาก็ไม่ติเราเพราะเรามันไม่ใช่ผู้สร้างโลกเป็นเพียงคนอยู่ในโลกเท่านั้นใครอยากจะติก็ไปติพระเป็นเจ้าโน่นเพราะาศาสนิกของท่านพากันสอนว่าท่านเป็นผู้สร้างโลก เรื่องของโลกนั้นเรานอนตาหลับได้แต่เรือนที่เราปลูกเองนี่สิเราจะต้องรับทั้งติทั้งชมถ้าเรือนสวยงามเรียบร้อยดีคนทั้งหลายเขาก็ชมเราว่าเข้าใจจัดเข้าใจทำถ้าเรือนไม่เป็นเรื่องเป็นต้นว่าพื้นซุดหรือฝาพังหลังคารั่วซ่วทรงดูไม่ได้คนทั้งหลายเขาก็ติเรา เพราะมันเป็นฝีไม้ลายมือของเราแท้เรื่องตัวนอกกับตัวในก็เหมือนกันบรรดาเกียรติยศศักดิ์ศรีความดีความเลวเขาดูกันที่ตัวหนถึงสิน้นพูดไปพูดมาประเดี๋ยวท่านผู้อ่านจะคิดว่าอีตาคนขีดหนังสือเล่ม น, นี้คงจะหน้าตาขี้เรีย ว, วสิ้นดีจึงได้แก้ตัวเป็นคุ้งเป็นแควความจริงเปล่าที่เขียนมานี้ไม่ได้คิดจะแก้ตัวเลย เพราะตัวนอกของผู้เขียนเองไม่มีอะไรที่จะต้องแก้บุญธ ร, รกรรมแต่งมาให้เท่านี้ก็พอแล้วพอไปวัดไปวากับเขาได้เหมือนกันรวมความเป็นคําขาดอีกครั้งว่าคนเราแต่ละคนครองตัวคนละสองตัวคือตัวนอกกับตัวในตัวนอกได้แก่ร่างกายตัวในได้แก่ความเป็น พืนผ้าเนื้อหยาบๆธรรมดามีสีต่างๆถ้ามันอยู่ตามเรื่องของผ้าก็ไม่มีความหมายอะไรกี่มากน้อยแต่ถ้าใครเอาผ้าต่างสีเหล่านั้นเพาะกันเข้าทำให้มันเป็นธงชาติไทยผ้าผืนนั้นก็ไม่ใช่ของธรรมดาเสียแล้วใครเขาเจะเก็บจะวางก็นึกถึงความเป็นธงอยู่เสมอว่านี่เป็นธงชาติโลหะต่างๆ ถ้าอย่างเช่นเหล็กเส้นห้าหุนหกหุนถ้าอยู่ตามธรรมดาของมันก็ไม่มีอะไรเป็นเพียงเหล็กเส้นเท่านั้นแต่ถ้าเขาเอาเหล็กเส้นมาประกอบเป็นโซ่ตรวนใส่ขานักโทษใครเห็นเขาก็นึกสยะเสแงในความเป็นโซ่ตรวนนั้นดินเหนียวตามทุ่งนานี่ถ้ามันเป็นดินอยู่ตามธรรมดาก็เกือบจะว่าไม่มีความหมายอะไร ไม่ว่าเด็กไม่ว่าผู้ใหญ่เดินย่ำเหยียบไปได้อย่างสบายใจแต่ถ้าเอาดินเหนียวมาปั้นเข้าแม่พิมพ์ทำเป็นองค์พระขึ้นคนทั้งหลายก็จะหันไปเคารพยาเกรงความเป็นองค์พระนี่ชี้ให้เห็นว่าแม้วัตถุภายนอกเมือม่อบรรจุความเป็นเข้าไว้แล้วก็เกิดความหมายขึ้นและความเป็นที่ทำขึ้นนั้น ก็จะกลายเป็นความสำคัญครอบคลุมเนื้อตัวเดิมของสิ่งนั้นท่านนึกดูสิความเป็นรงชาติสำคัญเหนือกว่าผืนผ้าความเป็นโซ่ตรวนก็สำคัญเหนือกว่าเหล็กเส้นความเป็นองค์พระสำคัญเหนือกว่าดินเหนียวคนเรานี้ก็เหมือนกันแม้ว่าจะเกิดในตระกูลทุกตะอนาถาแต่เมื่อกรองความเป็นพระเข้า คนทั้งหลายก็กราบไหว้เมื่อครองความเป็นครูสิทธิ์ทั้งหลายก็เคารพและใครก็ตามแม้จะเกิดในคฤหาสน์ของคนบุญหนักสักยใหญ่หรือได้เกิดในรั้วในวังก็ตามถ้าเกิดไปครองความเป็นมหาโจนเข้าคนทั้งหลายก็พากันจงเกลียดจงชังพูดมาตั้งเป็นนานสองนานท่านผู้อ่านได้ความอย่างไร ที่ข้าพเจ้าหยิบโน่นะสมนี่อยู่ตั้งนานนี้อยากจะชี้ให้ท่านเห็นจุดสำคัญจุดหนึ่งซึ่งเป็นจุดได้จุดเสียของคนเราจุดที่ว่านี้คือตัวในหรือความเป็นนั่นเป็นนี่ที่เราเป็นเป็นกันอยู่ทุกวันนี้ชีวิตของเราจะรุ่งโรดหรืออับเฉาสำคัญอยู่ที่ตัวในมีคนอยู่ไม่น้อยที่สร้างชีวิตของตนไม่สาเร็จเพราะไปติดอยู่แค่ตัวนอก สร้างแต่ตัวนอกเสริมแต่ตัวนอกซองกระจกดูตัวนอกวันละนับครั้งไม่ท่วนดูกระจกที่บ้านไม่พอยังมีกระจกเล็กกระจกน้อยสุกใส่กระเป๋าไปไหนไปไหนด้วยเครื่องผัดเครื่องแต่งเครื่องไล้เครื่องทามีไว้พร้อมเท่าไรเท่ากันทองหยองเพชรนินจินดาพ่อพูนให้ตัวนอกเป็นราคานับพันนับหมื่น แต่ไม่ได้สนใจกับตัวนของตนผลที่สุดก็เอาตัวไม่รอดแต่งตัววันอย่างคำ่ำแต่ไม่แต่งความเป็นลูกให้ดีไม่แต่งความเป็นเมียให้ครบไปๆไปหน่อยก็คงมีหวังได้เป็นแม่เทพธิดาน้ำตาร่วงเข้าวันหนึ่ง